พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรเจ็ดลำดับที่สิบสาโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ย1สิอดสิงหาคมสอง0ห้าหสิบมีชื่อเรื่องว่าปลูกพืชในพระเจดีการกล่าวอะไรอะไรออกไปในวันนี้ จะส่งเสียงกว้างเพราะในท้องถิ่นของเราเราจะออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อยร้อยเจ็ดเมกะเฮิรตซ์ FM แต่นานทีพวกเราจะได้ออกการออกก็เป็นการทดสอบทดลองว่าสถานีของเรายัางใช้ได้หรือไม่ ว่าเราต่อสายขึ้นไปจะมีความจำเป็นบางครั้งเราจะต้องได้ประกาศบอกกล่าวให้ชุมชนของพวกเราได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการทดสอบสถานีสถานีวิทยุเสียงธรรมที่วัดของพวกเราแล้วก็วันนี้เป็นวันที่21วันจันทร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2560 ก่อนอื่นหลวงพ่ออยากจะประกาศให้คณะสัยา ญ, ญาณโจมได้รับรู้รับทราบพอหลวงเดียวนี้หลวงพ่อเองใส่ใจในเรื่องกระถินขององค์หลวงตากระถินสามัคคี 84,000 พกองถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันคิดไม่ช่วยกันบอกกล่าวโปรโมทนะกระถินก็คงจะอยู่จุดอยู่ในจุดไดจุดหนึ่งเพราะนั้นต้องอพูดกล่าวให้เข้าใจกัน ให้กว้างขวางนะวันนี้ก็มีผู้ถวายแล้วนะเนยอดใหญ่เลยท่านะตั้งแต่ประกาศมา ก, กันเนี่ยหลวงพ่อได้รับยอดนี่แตเป็นยอดใหญ่สุดนะแต่ยอดอื่นท่านก็เพียงแต่ปภาวนาแต่คราวนี้ท่านถวายมาเลยนะโยมคุณพ่อฉลาดแสนจัดที่เป็นวัยยาวที่เป็นทายกที่ผู้พากล่าวคําไหว้พระ สวมดมนต์เมื่อกี้นี่แหละเป็นขหาบอดีน้ำโสมนายุงที่ท่านมีศรัทธาเคารพในองค์หลวงตาท่านก็ทำบุญผ่านวัดหลวงพ่อนะ่ะคงจะลดลดที่หลวงพ่อได้ประกาศไปว่าห้าสิบกองห้าสิบล้านบาทท่านคงจะลดให้มาช่วยหลวงพ่อแบ่งเบาในจุดนั้น ถ้าาวันหลวงพ่อไม่ได้จากศรัทธาญาติโยมเหล่านี้หลวงพ่อจะได้มาจากไหนล่ะได้มาจากศรัทธาญาติโยมที่รักเคารพและเชื่อถือในหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อรับว่าจะหาทุนสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยล้านบาทประกอบทั้งพูดตั้งแต่วันวางศิลาฤกษ์ที่ทุนกระม่อมแต่พวกเราได้ย้อนฟัง M.C.P. พพวกเราคงจะรู้ แต่หลวงพ่อก็ยังเน้นย้าอย่างเก่าพ่อได้พูดไปแล้วก็ต้องรักษาคาพูดแต่หลวงพ่อก็พยายามเก็บหอมลอมลิบพอสงควรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่หลวงพ่อก็จะพยายามทยอยออกเป็นระยะระยะนะแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อทยอยออกไปแล้วนะแต่ไหวไปครั้งหนึ่งสงล้านถต่ไวครั้งล่าสุดนีนึ่งล้านนะ เป็นอันว่าหลวงพ่อปลดนี้คำพูดของตอนเองที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นยังยังเหลืออยู่47ล้านบัท น, นะแต่วันนี้โยมถวายมาอีกนะหลงพ่อจะอ่านให้ฟังคุณพ่อฉลาดแสนจักพร้อมครอบครัวขอจองกระถินสามัคคีนวัดป่าบ้านตาดเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี หลวงตามหาบัวผ่านหลวงพ่ออินถวายวัดป่านาคาน้อยเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทพวกเราอนุโมทนานะี่อหนึ่งล้านบาทผ่านหลวงพ่อน ะ, อะหลวงพ่อก็จะเนี่ยแปลว่าลดจำนวนลงยังเหลืออยู่สี่สิบหกล้านบาทแล้วก็ วันนี้ก็มีการทําบุญร่วมกระถิ่นอีกนะพวกเรารวมคนคนละมากคนละน้อยก่อนเนี่ยมียอดขึ้นมากระถินบ้านตาดนะ 9,500 บาทวันนี้นะตอนเช้าวันนี้นะแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อเอกอยากจะจประกาศให้คณะสัทธาญาณโยมผู้มีจิตศรัทธาที่ท่านประวรณนาจะถวายหนังสือพระไตรปิฎกนะ กับหลวงพ่อท่านมาจากจังหวัดชนบุรี เ, เนี่ยก็ส่งตู้พระไตรปิฎกมาถึงวัดแล้วนะวันที่18สอค60นะ่นางปวิณาชัยรัตนวรกุลนอสริตาพาณิชยานนท์นอสศิรัตวานิชยานนท์นางวัฒนาพรกิลิภาพร น, นอสวันเพน แล้วก็ครอบครัววานิชยานนท์และกัญญาณมิตรถวายหนังสือพระไตรปิฎกให้แก่วัดป่านาคําน้อยอันนี้ก็ให้พวกเราเกิดมาพบได้ชาติใดก็ขอให้มีสติปัญญาเสียบแหลมเน่อให้กว้างขวางในพระไตรปิฎกใน่นกว้างขวางในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อได้รับไว้แล้วในนามคณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกที่ญาติโยมถวายแต่ก็มีญาติโยมถวายบ้างมีมีมีมบ้างแล้วล่ะก็แต่ปลวงพ่อคนอนี้นรับรับมาบางทีวัดไหนมีความจำเป็นหลวงพ่อก็พยายามถ่ายถ่ายเทไปวัดที่ยังขาดตกปกพ่องเหมือนกันถ้ามันมีวัดของเราอมันมากเกินไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไะ แต่หนังสือพระไตรปิฎกก็มีอันนี้เป็นหนังสือพระไตรปิฎกคงมาจากวัดบวรมรรคมหามกุสหลวงพ่อเน้นทางมหามตุสที่หนังสือพระไตรปิฎกนะเราก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อจะจะกล่าวบอกย้ำว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่างที่พงศหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินเดือนเก้าดับปีนี้ลง ตรงกับวันที่21สิงหา60นะแล้วก็พร้อมกันพวกเราสัทธายาตญาตโยงก็ได้มาตักบาตรใสบาตรรอบศาลาวันนี้ก็มากพอสมควรแต่ถ้าหากว่าถ้ า, าว่าทุกวัดในอี ส, สานเนี่นะ เ, เขาจะมีการทำบุญตักบาตรแต่ละวัดแต่ละญาติโกหติกาของใครของเราแต่วัดของเราในก่อนรู้สึกว่า มากมายวันนี้ที่มาตักบาตรใจบาตรแล้วก็เพื่งจัดอาหารพระสงฆ์ก็เพื่งจัดอาหารจบลงสักครู่นี้และต่อเ น, นื่ไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรพวกเรากอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนลึกต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายงาวงศาคราญาติญาติมิตรสหายของพวกเราเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งในอีสานเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณ ต่อบุาการีของพวกเราถ้าเป็นประเทศจีนเขาเขาว่ า, าศาสตร์จีนนะนะไทยเขาว่าทำบุญลำลึกถึงหรือว่าว่ายเจ้าลักษณะอย่างนั้นแต่ทางภาคเหนือเ็าเรียกว่าปล่อยหลวงฮะเป็นการทำบุญต่อบรรพชนคือบุาการนะีทางภาคใต้เขาว่าเทกระจาดนะแต่สุดแท้แต่พวกเราจะเรียกกันยังไงแต่ละภาค แต่ที่ยังไงเป็นการทำบุญเสียสละอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาท่านก็ทำไร่ทำนามีที่ไรท่ทีนาท่าน ข, ข, ขุดหัวเราเกาหัวญายอย่างนั้นหละกลนหลักต่อทำคันนากว่าที่ท่านจะได้กินข้าว ตอนนั้นท่านก็ได้แบ่งเป็นมรดกของท่านแล้วก็ทายทอดมาถึงพวกเราพวกเราได้รับความสะดวกสบายพอว่าสุกมือเปิบพอถึงลูกหลานแต่ปัจบันนี้ถึงจะสุกมือเปิบก็เถอะนะพวกเราก็ยังลำาลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ทำไว้ก่อนพวกเราแล้วก็พวกเราที่เกิดมาใหญ่ที่หลังก็ได้ทำมาทานาทำไร่ทำนาทามาค้าขายที่เป็นกิจกรรม ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ถ่ายเทถ่ายทอดให้กับพวกเราพวกเรากระลึกลำลึกถึงแต่พ่อแม่ของพวกเราบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็ได้ล่วงลับดับขันตายไปแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อท่านตายไปแล้วพวกเราก็ไม่ไดน้นิ่งดูได้ถึงปีหนึ่งหรือหลายๆครั้งพวกเราไปทําบุญณวัดต่างๆไปทําประกอบคุณงามความดีสาธารณประโยชน์พวกเราก็น้อมจิต เป็นการถวายอุทิศส่วนกุศลที่ท่านได้กิจกรรมของท่านหรือว่าเป็นผลงอกเงยจากผลงานของท่านที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในคราวนี้ครั้งนี้ขอขอให้เป็นเครื่องเครื่อกเกื่อกูลอุดห น, นุนเป็นพลังขอให้พ่อดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือบุพการีบุคคลผู้มีอุ ป, ปกราระคุณสำหรับข้าพเจ้าดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ณที่ใดถินใด ข, ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทอินึกในใจนะอะไรก็พร้อมกันกับพ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาติท่านผู้ใดยังมีชีวิตอยู่ ข, ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศสรรเสริญสุขสุขกายสุขใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบสินธรามก็ให้สมหวังดังปราถนานนี้เราก็ให้พอรอีกหรือว่าเป็นการมอบบุญกุศลให้กับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราทำได้อย่างนี้แปลว่าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นรู้จกักพระคุณของภูมิอุปกระคุณพวกเราไปอยู่น่าสถานที่ใดทินใด มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมถ้าหาว่าพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่เก่าวเนรและคุนคนไม่เห็นบุญคุณของคนไปอยู่ที่ไหนไปกินข้างล่างขึ้นไปขี่รถหลังคาคนโบราณเขาว่ายอย่างนั้นคือคนไม่รู้จักบุญคุณไปอยู่ที่ไหนนไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความ จีบหายไว้วงมีแต่อับเฉานะมีแต่หาความเจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้ระลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขมีแต่ความสุขใจพูดง่ายๆนะไปอยู่นสถานที่ใดสุขใจในตัวของเรานะเราจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราทําถูกต้อง ทำโดยครามเป็นธรรมทำด้วยหลักเหตุผลนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเนี่ยทาอุทิศส่วนกุศลมาวันนี้ในคราวนี้ครั้งนี้ อ, อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณสําหรับพ ว, รพวกเราคือปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเรานะี่ยนะให้ร่างกายมาทั้งร่างาพวกเราไ ด, ด้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่ท่านเลี้ยงดูเรามา ยากขนาดไหนพวกเราที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราก็เห็นแล้วว่าเลี้ยงมันเลี้ยงยากกว่าที่เราจะใจจะโตขึ้นมาขนาดนี้ก่อนที่จะมีสติปัญญาถึงขนาดนี้เพราะนั้นท่านก็คงทับยุคทุกอยากลําบากกับเราเพราะฉะนั้นพวกเราเมรดกของท่านชิ้นใหญ่ก็คือตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยรนะ่างกายของเราทั้งร่าง น, นี่ยคือเราได้มรดกจากพ่อจากแม่ เราอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้มรดกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนี่หละมรดกชิ้นใหญ่เราจะให้ใครก็ให้ไม่ได้มรดกชิ้นนี้แปลว่าให้แปลว่าตายเฮ้ยเพราะนั้นพวกเรามีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราไปทําบุญพาร่างกายของเราไปทําบุญณสถานที่ใดที่ใดแปลว่าพามรดกของท่านพ่อแม่พาไปทําบุญ เมื่อทาบุญเสร็จแล้วเราพวกพวกเราอุทิศสวนกุศลเนะีนี่แหละอันนี้เป็นประเพณีและเป็นธรรมเนียมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะทากิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเนะ อันนี้แต่ตอนข้อสุดท้ายเนย่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตริดาเป็นหน้าที่ของลูกชายลูกชายลูกหญิงนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราวันนี้พวกเราเนีมาทำหน้าที่จุดนี้ละปีอ่ดวันก่อนๆเดือนก่อนๆ เ, เราก็ทำหน้าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพนะแต่วันนี้ณนะวันนีนะ้เป็นการทำบุญประเพณีทั่วภาคอีสาน เราได้มาไม่ว่าวัดไหนไหนเราก็ทําบุญข้าวประดับดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าว่าพวกเราทําอย่างนี้นะมันเป็นประเพณีนะถ้าว่าไม่มีวันนี้นะถ้าคนโบราณเขาไม่จัดให้มีวันนี้นะวันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่าก็เลยไม่มีวันสําคัญไม่มีวันกระตุก ออตัวของเราเลยเออไม่มีการจะหยุดชะงักหรือหยุดเคดถึงพระคุณของพ่อของแม่เนี่ยนะคนโบราณเขาะว่าออออการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ว่ากันออแต่ถึงสักวันหนึ่ง อ, อ, อย่างวันข้าวประดับดินหรือวันบุญข้าวฉลากพัดเนี่ยออพวกเราก็ควรจะลํำลึกถึงลําลึกถึ ง, ลลถงหลัา อ, อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณของเราเนี่ยนะคนโบราณเขา จึงได้มีวันนี้ขึ้นมาน เ, เป็นการทําบุญและก็พร้อมกันถ้าจะเปรียบเทียบในพัตรไรปิฎกมีไหมมีนะลูกหลานนะในสมัยเพื่อเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับที่กรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสา ร, รถวายวัดป่าเวลุวันแต่ท่านไม่ได้อุทิศส่วนกุศลต่อ เ, ออเปแตาา่ญาติของท่านคือญาติของท่านญาติของท่านตกทุกข์ได้ยากมา ไม่รวดนานเท่าไหร่แต่ท่านทําบุญเสร็จแล้วทําไม่ได้คิดเลยทําบุญแล้วก็จบนะเปรตเหล่านั้นไม่ได้รับญาติของท่านไม่ได้รับในวันนั้นมาแสดงตนให้ปรากฏในคืนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็โอดันกตกใจนะนัก ไ, ไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าเออไม่ใช่อื่นไกลหรอกเป็นญาติของพระ อ, องค์นั่นแหล ะ, ะพระ อ, องค์เมื่อทําบุญเมื่อวานนี้ทำบุญใหญ่ถวายวัดที่ดิน ต่อพระสงฆ์ต่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศ ส, สวนกุศลไม่ได้นึกถึงใครเลยเพราะนั้นเขาไม่ได้รับไม่ได้รับบุญกุศลเขาก็คอยจ้องอยู่ เ, เมื่อท่านทำบุญแล้วท่านควรจะอุทิศ ส, สวนกุศลให้ข้าพระเจ้าแต่ท่านไม่คิดถึงเลยไม่ได้น้อมจิตอุทิศ ส, สวนกุศลเลย เ, เมื่อคืนเขาเลยมาทวงนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนาถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ว่าอื ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกกหลานทุกคนเนะี่ยมาทบบุญในวันนี้ก่นนะอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่เราไม่คิดนะต้องคิดนะอุทิศส่วนกุศลให้กับใครในใจของพวกเราขณะที่พระสวงฆ์วิยะถาวารีวหานะี่เราน้อมจิตอุทิศกุศลกุศลละนะในช่วงนั้นนะและก็พร้อมกันหลวงพ่อจะมาวกมาพูดเกี่ยวกับ เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอีกเหมือนกันพรหลวงพ่อในจุดนี้หลวงพ่อใส่ใจนะคณะสัทา ย, ยาญาณโยมลูกหลานผู้ใดที่จะทำบุญนี่แหละเคยแจกบัวซัวให้แล้วละนะเขโ อ, อนเงินอุทิศโอนเงินโอนปัจจัยไปให้บัวซัวที่หลวงพ่อได้ มอบให้กับคณะสถาญาติโยมไปกรุงเทพเมื่อกี้นี่ก็มอบให้ทั้งสองจุดที่สวนแถงธรรมด้วยที่จิตโพชนาปากด้วยเมื่อวานนี่แล้วก็นี่แหละมาที่วัดหลวงพอ่อหลวงพ่ อ, อวันนี้เป็นที่ว่าเป็นวันสาคัญเป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อจึงคิดจะปารบในเรื่องนี้ให้กับพวกเราคณะสถาญาติโยมที่ได้รับ โบว์ัวไปกระถินวันที่เจนะลูกหลานนะวันที่เจตุลา60เวลาเก้าศูนย์ศูนย์หนอที่วัดป่าบ้านตาดเราจะหาทุนแต่บางคนก็วอาเอเอถ้าคุณไม่ได้ศึกษาคนที่ไม่ได้ฟังนะและก็มัวเมียพูดไปเลยนะทำไมเซ็นสัญญาไปแล้วทำไมจึงจะมาหาทุนอีกก็ว่าพอแล้วนะ่อันนี้ก็คือฟังเอาไวา้ ให้คล้ายวันผู้มิกเปียว่าผู้ไม่ผู้ไม่ได้ฟังแต่ต้นต่อต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าได้ฟังต้นต่ออย่างหลวงพ่อนี่ฟังหลวงพ่ออินหลวงพ่อบอกฟังหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินอยู่ในเหตุการณ์เงินที่สร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาใช่พอเฉพาะพระพระเจดีย์กับพระวิหารเเซ็นสัญญากับสบุญมีฤทธิ์ไปแล้วนะ เ, เมื่อวันที่ส7เจดวันที่ส7บเจ็ดมิถุนาหกศนพึงเซ็นไปเซ็นสองอย่างคือ J D P P P H A N, เจดียพระวิหารค่าจ้างเท่าไหร่ค่าก่อสร้างเท่าไหร่เซ็นไปนั้น4ี่เก้าสิบล้านแต่เงินมีเท่าไหร่เงินในวันนั้นวันที่เซ็นสัญญา มีเงินอยู่537้าเล้านนะเราเอาเงิน537ล้านนะ่ตั้งขึ้นแล้วเอาเงิน490ล้านเนะี่ยลบดูซิมันยังเหลือเท่าไหร่เออมันยังเหลือเท่าไหร่กันนะติดใเงินจะสร้างพิพิธภัณฑ์นะนะั่นน่ะมันยังขาดอยู่เท่นะี่เออมันขาดขาดมากเท่าไหร่ไม่ทราบเออแต่อาคารหลังนี้นะ แต่ข้างในช่งางผู้ออกแบบมหาวิทยาลายัยศิลปากร อ, ออกแบบท่านก็ยังยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาเขาจะต้องเอาแบบแปลนไปให้ผู้รับเหมาคิดซะก่อนว่าจะคิดราคาเท่าไหรนะ่จุดนั้นละ่ะถ้าเราจะไปพูดก่อนก็ไม่ได้นะเขาจะต้องให้ผู้รับเหมาคิดซะก่อนถ้าว่าคิดสูงเกินไปก็เหมือนกับ ชี้โพลงให้กรอกลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เขาก็ต้องเดินตามถ้าคิดถูกเกินไปพูดผูกเกินไปก็มันก็ไม่ใช่ความจริง เ, เอ่อผลในสุดมันอึดอัดนะผลนั้นแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่ออยู่นอกวงการอนะไรอยู่นอกวงการแค่เข้าว่าเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้หาเงินนะช่วยนะแต่ไม่ใช่ประธานนะไม่ใช่กรรมการนะเป็นที่ปรึกษาเขาจะปรึกษาก็ได้เขาไม่ปรึกษาก็ได้หลวงพ่อเนี่ยนะ แต่ถึงยลวงต่างไงก็ตามหลวงพ่อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นถือว่าเจดีของหลวงตาคือเจดีของพ่อนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะ่ะเป็นผู้มีพระคุณสาหรับหลวงพ่อนะ่ะพอหลวงพ่อเนี่ยถึงจะใครจะจะให้เป็ น, ไ ม, ปนง ไ, งไม่ให้เป็นยังไงไม่ให้เป็นยังไงหลวงพ่อไม่สนวันนั้นแต่เมตตาเออเอาจะช่วยได้ยังไงถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรแต่บัณฑิตเขานะ คณะกรรมาการเขาต้องการความช่วยนะต้องการช่วยเพราะเงินมันไม่พอเนี่ยพรหลวงพ่อจึงกระโดดเขามาจุดนี้จึงหาทุนช่วยกับเขานะหาถึงจึงได้ลงไปกรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยคับเอาบัซัวไปแจกแล้วก็บอกกล่าวนะืลูกหลานเนะีแต่ไม่ต้องหนักใจนะการสร้างบุญสร้างกุศลจากหลวงต า, ากระบอกการบอกเออผู้ใดได้รับธรรมะจากองค์หลวงตาได้กราบองค์หลวงตา ที่หลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงลํำลึกถึงพระคุณของหลวงตาที่เราได้ใช้ธนบัตรอยู่เดียวนี้ก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งที่หลวงตาเอาเงินเข้าไปเอาไปไว้ในธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องประกันให้พวกเรามีเงินบาทที่แข็งให้มีคุณค่าคือหลวงตาคิดไกลขนาดนั้น่ะทองคำถึง13ตันกว่าแล้วก็เงิน10ล้านกว่าดอลลาร์ ท่านมอบให้คลังหลวงนี่แหละอันนี้คือประคุณของท่านท่านก็ไม่ได้เรียกร้ อ, อ, องอะไรเมื่อข้าทำมาแล้วสู้เจ้าต้องทดแทนบุญคุณของเรานะหลวงตาท่านก็มาได้พูดแต่ละพวกเราทักไครและลึกถึงบุญคุณของหลวงตาได้นะให้ช่วยๆกันเนอะคนละไม้คนละมือสร้างเป็นอนุสรสถานเป็นอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนี่แหละ คือจุดนั้นเน่ยเชิญสัญญาไปแล้วสองอันแต่พิพิธภัณฑ์นี่หัวใจหัวใจทำไมจังวะหัวใจเพราะเป็นพระธรรมคําสอนของหลวงตาและประวัติของหลวงตาจะอยู่ในจุดนี้นะออแล้วก็จะเป็นเงินเท่าไหร่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อกะนะกะไว้ในใจหลวงพ่อว่าประมาณออประมาณ200ล้านนะลูกล้านนะแต่ยังเหลือเท่าไหร่เนี่ยยังเหลือเน่ยหงพ่อบวกรบคูนหารให้ฟังแล้วเนี่ยยังยัง มันมีเงินก้ อ, อนหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่ยังขาดเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยกว่าล้านนะแต่ถ้าว่าได้เงินกระถินแ4ด0มื่นสี่พันกองกองละสามพันคิดว่าน่าจะเพียงพอน่าจะเซ็นสัญญาได้อีกเป็นรอบที่สองนะไดนน้ขอแจ้งข่าวให้กับคณะ ท, า, ทา ย, ยาิโยมลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นนะถ้าไม่มีศรัทธานะอย่านะไม่ต้องคิดไม่ต้องเข้ามาสนับสนุนให้อยู่ห่างไกล ถ้าเขามาพูดเขามาจะเป็นบาปเป็นกรรมกับผู้ที่มาพูดเป็นบาปกรรมผู้ที่ไม่มีศรัทธานะถ้าไม่มีศรัทธาก็เฉยไปดีกว่านะผู้มีศรัทธาก็มีอยู่แต่หลวงพ่อก็บอกอีกเหมือนกันนะเวลาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์หลวงตานะพอพูดเสร็จแล้วก็ถามเออผู้ใดระลึกถึงบุญคุณของวตาจะทําให้ร่วมทับช่างเจดีย์ไหมเขาว่าใช่ใช่ได้ได้เนีเรายังค่อยอธิบายให้เขาฟังนะถ้าพ่อพูดให้ฟังแล้ว ตาไม่เป็นมิตรนี่แสดงแงงอีกแป๊บมาใส่นะฮะระวังเราอย่าพูดนะถ้าพูดมันทำให้จิตใจของเราขุนบัวอีกต่างหากไม่เป็นกุศลสำหรับใจของเราไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาด้วยครับเราด้วยนี้ก็เหมือนกันของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อรับผ้าสิบล้านบาทโยมฉลาดท่านมาปลดนี่ให้หลวงพ่อหนึ่งล้านบาทวันนี้แล้วคนอื่นก็ปลดคนละเล็กละน้อยนะ แต่หลวงพ่อก็เนี่ยเพื่อได้มาแล้วหลวงพ่อก็จะโอนเข้าไปช่วยเจดีของหลวงตาที่แหละถ้าว่าผู้ใดมาทํากับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเออได้บุญสองเด็กนะลูกหลานนะทาบุญกับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็จะโอนเข้าบัญชีของเจดีของหลวงตาด้วยเพื่อเป็นการบูชาประคุณหลวงตาเพราะหลวงพ่อเนี่ยรักเคารพในองค์หลวงตาในพระคุณของหลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจึง ได้รับวะรับห้าสิบล้านบาทเนทั้งที่หลวงพ่อเองก็ไม่มีทำมาค้าขายอะไรนะคณะจทธายญาติโยมมีแต่นั่งอยู่ในวัดัทธายญาติโยมมาเท่าไหร่เอออ้าวเก็บหอมพลอมเล็กกระถินผ้าปามาก็บอกพระลูกพระหลานเออพวกเราก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บนั่นถูกหลานนะเพื่อจะช่วยสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเมื่อสร้าง เ, เสร็จแล้วก็เป็นสง่าลาสีเป็นชริมงคลสาหรับตระกูลของพวกเรา คือองค์หลวงตาทํากุญูรประการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมามากพวกเราควรจะสนองพระคุณของท่านที่วัดของเราได้รับความสะดวกสบายเนี่ยกำแพงเนี่ยท่านสร้างมาให้พวกเราเท่าไหร่สมัยนะั้น20่ล้านนะีสมัยทุกวันเนี่ยร้อยล้านจะอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบน ะ, อะพอเราถวายพระคุณของท่านเพียง50บล้านจะว่ามากจะเดือดรุกล้านนะ เนี่ยหลว ง, งพ่อก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพระลูกพ่าหลานศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อนะอย่างนั้นนะเพราะนั้นขอแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับพวกเราคณทศรัทธาญนะาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเน้อท่าว่าผู้ใดนั่นนะโอนเข้ามาบัญชีอย่างอวนโอนเข้ามาบูรสัวอย่างที่เขาประกาศแต่ที่หลวงพ่อได้แจกไปนั่นแหละโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยเไม่ต้องฝากตู้หรอกถ้าฝากตู้ใส่ตู้เข้าไปแล้วนะ่ะ มันจะไหทือตู้ไหนก็ไม่ทราบนะมันงอเงินงอมันงอมันโคมันโคงนะ้งมันไม่ตรงนะมันอาจจะคดไปเกาะที่ไหนอยู่ก็ได้นะเพราะนั้นทางวันเราโอนเข้าจุดนี้จะตรงนะออพอเขินเงินเข้าไปอยู่ในบัญชีนี้แล้วคนะณะกรรมการเขาก็จะได้ดำเนินงานในการเซ็นสัญญาสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา พวกเราก็จะได้กลาบได้ว่าเป็นสง่าราศีเป็นสลิมงคลสําหรับพวกเราหาได้ที่ไหนเกิดมาทั้งทีชีวิตจะได้สร้างเจดีย์จะสร้างประพิธภัณฑ์ของพระอรหันต์ที่ท่านประกาศเราองค์อื่นท่านก็ไม่เคยประกาศองค์หลวงตาเนี่ยท่านบอกว่ายุคนี้สมัยนีย้ถ้าไม่พูดไม่ได้ต้องพูดให้ตรงนี่แหละเ อ, อ, อย่างหลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อต้องรู้รู้มาก ในเรื่องนี้เรื่องต่างๆออพอรู้มากแล้วก็ทํามากอีกต่างหากทาให้ตัวอย่างให้กับพ้าลูกผหลานให้ได้เห็นแล้วก็พูดมากอีกออแต่บางคนาพูดมากไม่ดีแต่หลวงพ่อพูดมากเราไม่ได้พูดเขา้าข้างตัวเองนะเราพูดมีแต่โน้มน้าวโน้มน้าวเรื่องราวต่างๆให้กับคณัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, ะนาไปคิดนาไป การกรองดยซิจริงหมายที่หลวงพ่อได้พูดท่านหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังมันก็ไม่มีผลงานใช่ไหมทำอะไรแล้วก็แล้วไปอะไรแล้วก็แล้วไปไม่มีผลงานเต่มไม่มีผลงานเพอๆคนพวกเราก็ปลามาทพระอยู่ในวัดว า, าศาสนาไม่มีผลงานไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าวสุกแล้วก็นอนอยู่ในวัดตีพงอยู่เฉยๆหมาหาลุหาู้ไม่ว่าท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานับแข่งกันดูซิ เอามานับแข็งหลวงพ่อรู้สิขนาดเดือนสิงหาอย่างเดียวนะหลวงพ่อโอนเงินเข้าไปช่วยบันช่วยเจดีของหลวงตาเน่ยนะหล้านบาทนะเมื่อวันที่วันที่เนะที่แที่เก้าน ะ, ะแล้วก็วันที่วันที่9ก้านะหลวงพอ่อเมื่อวันที่10ที่หลวงพ่อโอนเข้าไปวันที่9หลวงพ่อให้กับโรงเรียนศรีบุญเรือง จังหวัดน้องบัวลําพูให้กับโรงเรียนซื้อรถ2 0 0 0 0 0บาทก็สร้างโรมที่โรงเรียนบ้านผืออีกหลวงพ่อไปทอดผ้าป่าช่วยเขาอีก2 0 0 0 0 0บาทไปให้โรงเรียนพัฒนาการที่หลวงที่หลวงพ่อจะลงกรุงเทพเมื่อวันที่18หลวงพ่อก็สมทบอีก2 0 0 0 0 0บาทจะรลบแล้วคือเดือนนี้เป็นเงินเดือนหลวงพ่อหลวงพ่อจ่ายตังค์ไป จ่ายตังวัดนะไม่ใช่ตางตางหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะหาได้ที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้รับจ้างรับธรรมาค้าขายอะไรมีแต่นั่งมีแต่ว่าขายกับขายนโมทน่ะขายแนวความคิดศรัทธา ญ, ญาติโยมเข้ามาถวายจะตกปัจจัยสรุปแล้วเดือนสิงหาเนี่ย เ, เงินเป็นก้อนออกไปก้อนเนี่ยหนะึ่งล้านหแสนจริงไหมสีบนเรือง2แสนบันผือสองแสนพัฒนาการสองแสนแล้วก็เงินอีก เจดีของหลวงตาอีกหนึ่งล้านแปลว่าสิงหาเรือกระเป๋าฉีกนะั้นลูกหลานนะกระเป๋าวัดของเรานะลูกพวกเราพวกลูกหลานทั้งหลายให้อนุโมทนาในในบุญในกุศลพกหลวงพ่อทำเพื่อประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนานะไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นไม่ได้วงหวังหน้าหวังตาอะไรทำไปแล้วกนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนี่แหละอันนี้ก็คือการทาบุญ สร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อบอกอีกนะบอกว่านี่นะลูกหลานคณราสัทธา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อปล่อยเงินออกไปนะหนึ่งล้านหนึ่งล้านหกแสนเดือนสิงหาเนะี่ยหลวงพ่อบอกกับเงินนะเอ้ยเงินเอ้ยสู้เจ้าออกไปแล้วให้ไปต่อหมูต่อเพื่อนก็มาหาหลวงพ่ออินนอะหลวงพ่ออินกำลังอยากจะใช้เงินอยู่เดียวนี้อยากจะได้อีกประมวนหาสิบล้านนะ ให้สุเจ้าไปหาต่อออกมาเนะี่ยมาต่อแล้วบอกบอกมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองจะได้เอาไปช่วยสร้างพระเจดีหลวงตาหนะลวงพ่อก็บอกเงินหลวงพ่อนะก่อนก่อนที่จะปล่อยออกไปนะเพราะนั้นอีกไม่นานมาั้กัคงจะนี่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานวันก่อนวันนี้ก็ได้หนึ่งล้านนะเห็นไหมไปบอกมาเลยนะ <laughs> ยมตลาดเอามาให้เลยวหนึ่งล้านเนะี่ยไปบอกมาแลนะ้วคงจะเป็นหมูพวกนั้นแล้วไปบอกมานะ หลวงพ่อก็คงจะต่อไปก็คงจะถ้ายอยได้เรื่อยๆเรื่อ ย, อ ย, อยไปเรื่อยลนะ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทูกหลานทุกคนนะไม่ต้องหนักใจหลวงพ่อไม่พาหนักใจพวกเราไม่ต้องหนักใจผู้ที่มีพอจะเป็นจะไปได้ท่านก็คงจะมาร่วมทําบุญจะไม่ทําบุญได้ยังไงไปเก็บหอมลมริบอะไรมากมายนักหนาใช่ไหมล่ ะ, อะพอที่จะสร้างบุญในจุดนี้นะเป็นเนื้อนาที่ดีเนะลหลวงพ่อประกาศแล้วลูก การสร้างบุญสร้างกุศลเจดีของหลวงตา เ, เป็นเนื้อนาที่ดีปุ๋ยก็พอดีน้ำก็พอดีดินก็พอดีดินฟ้าอากาศก็พอดีไม่ท่วมไม่แรงถ้าหวานข้าวลงไปเท่านั้ น, นย่ยาก็ไม่มีต้นข้าวกล้าก็งอกงาม อ, ออกรวงสมหมักสมเหตุสมผลเอพอยไเพราะนาดีนี่แหละ อันนี้ก็เหมือนกันเน่ยเราหว่านเพื่ในพระเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยมันจะไปไหนเป็นบุญเป็นกุศลติดพพติดชาติสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะคณะสัตยาญาติโยมถ้าหลวงพ่อพูดไปก็เหมือนว่าพูดมากพวกเรานําไปคิดดูซิจริงไหมหลวงพ่ออ้างเหตุผลถ้าอ้างเหตุผลสั้นๆมันก็สั้นเกินไปพวกเราจะไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าอ้างเหตุผลยืดยาวเกินไปบางคนก็จะลาคาญอีกนนนักข่าวว่าพูดที่ ได้ฟังผู้มีปัญญาขนาดหนึ่งเออใช่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเออเป็นคําจริงว่ะอย่างนั้นก็มีแต่บางคนอาจจะลาคาญก็ได้มันหลายคนนะนานาจิตต่างนานาทัศนะหลวงพ่อก็เลยพูดทั้งสั้นพูดทั้งยาวอท้าว่หลวงพ่อพูดสั้นๆเออทาบุญกับพระรหลานได้บุญหลายนะเพียงแค่นี้ลูกหลานเคยโค้อแย่ทำบุญยังไงวะหลวงพ่อที่ไว้ฟังกันว้ พวกที่มีปัญญามากก็ผู้ผู้มีปัญญามากเพียงแค่นี้พอแล้วหลวงพ่อว่าทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญหลายหลายเดินเพียงพ่อพ่อพ่ อ, พ อ, พอเพียงแค่นี้พอแต่พวกที่ได้ยินอีกพวกยังไม่เข้าใจว่าพระอรหันต์คืออะไรท่านมีคุณประโยชน์อย่างไรทําไมจึงได้บุญมากฮอหลวงพ่อเลยอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้กว้างขวา ง, วางนะ เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะทีนะอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลเพราะว่าดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็เป็นดวงวิญญาณเราก็อุทิศส่วนกุศลโดยดวงวิญญาณเหมือนกันนามธรรมาอุทิศส่วนกุศลในนามธรรมาเหมือนกันนะ